จเจริญพรโยมโยมเยอะขึ้นทุกวันนะเดี๋ยวนี้ล่นไปที่วัดหลวงพ่อทุกวันเยอะเยอะเกินไป <c oughs> ธรรมะจะดีที่สุดเนี่ยต้องเรียนลูกศิษย์คนหนึ่งอาจารย์คนหนึ่งมันเรียนกันง่ายหน่อยลูกศิษย์เป็นร้อยเป็นพันนะอาจารย์สู้ไม่ไหวอาจาลูกศิษย์ต้องช่วยตัวเองให้เยอะเยอะยม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 จิตจะกว้างขวางนะไร้ขอบไรเขตภาษาบาลีเรื่องวิมาริยะที่กัดเนี่ยภาษาไปท่องมาหลายวันนะ <c oughs> มันกว้างขวางใจการที่พวกเราสนใจศึกษาธรรมะนะเป็นเรื่องดีมากเรียกว่าเราไม่ประมาทคนที่ประมาทเนี่ยื่นะละเลยที่จะเรียนรู้ตัวเองแล้วก็ชีวิตก็เลยจมอยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยเดี๋ ย, ยวทุกเรื่องโน้นทุกเรื่องนี้ไปเ ร, เรื่อยหาทางออกไม่ได้นะ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 พระพุทธเจ้ายกย่องความไม่ประมาทเป็นธรรมะสาคัญขนาดท่านจะปรินิพานท่านยังเตือนพวกเราว่าอย่าประมาทนี่คําว่าประมาทมันก็มีไนยะกว้างกวางนะกว้างวันนี้หลวงพ่อลองพูดอีกไนยะหนึ่งให้ฟังก็ได้ <c oughs> เราจะต้องไม่ประมาทในอกุศลธรรมไม่ประมาทในกุศลธรรมไม่ประมาทในธรรมที่ไม่ใช่กุศลและอกุศล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 คิอใจเราก็จะคุ้นเคยกับการฆ่าคุ้นเคยกับการโกหกคุ้นเคยกับการทำชั่วทั้งหลายสะสมไปเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้เราประมาทกับกิเลสไม่ได้แล้วก็อย่าไปประมาทแบบดูถูกกิเลสด้วยกิเลสเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดกุศลก็ได้กิเลสเป็นเหตุให้เกิดกุศลก็ได้อย่างเรามีตัณหาเนี่ยเราอยากเราอยากดีเราอยากสุขเราอยากได้มรรคผลนิพพานนี้เป็นกิเลสนะ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 ใจของเราเนี่แหละคือเทวบุตรตมานนะความคิดของเราคืออภิสังคารามานนะกิเลสของเราเรียกกิเลสมานนะใจของเรานี่คือขันธมานนะมันจะมีความรู้สึกเลยเหมือนความตายมารออยู่ต่อหน้าแล้วนี่คือมัจจุมาณนะที่เคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์เคยอ่านั้มอย่างโลคูมันบอกก่อนจะแตกหักได้นะความทุกข์บีบคั้นสลบไปสามรอบเนะี่ย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 เราจะอดทนอดกลั้นได้ไหมหรือเราจะถอยถ้าถอยนะเราจะมาอยู่กับโลกอย่างมีความสุขมากเลยมีความสุขเยอะเพราะว่าจิตใจที่มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะั้นมันจะมีแต่ความสุขเยอะมากแต่ว่ามันจะต้องไปเกิดอีกข้ามภพข้ามชาติไม่ได้เนี่ยเรามีสัจจะไหมเรามีอธิฐานะบารมีไหมคือความตั้งใจมั่นสู้แล้วไม่ถอยอะไรนย แม้คุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้เราเอามาใช้ในนาทีที่เราจะค้ำฟกร้ำชาติคุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้มันเกิดจากคุณงามความดีเล็กๆน้อยๆที่เราหัดสร้างกันนั่นเองดังนั้นเราต้องสร้างนะหัดถือศีลไว้หัดรักษาใจของเราให้สงบสํารวมไว้นะหัดเจริญปัญญาหัดรู้กายหัดรู้ใจไปนะต้องค่อยๆฝึกค่อยๆ ฝ, ฝนไปนะคุณงามความดีก็จะเยอะขึ้นนะถ้าเรา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 เราประมาทไม่ได้ล่ะความตายเราจะถึงตัวเราเมื่อไรก็ได้ไม่เลือกนะไม่มีซีนิริตีนะไม่ใช่แก่เราต้องตายก่อนนะ <c oughs> เด็กๆตายไปก่อนหลวงพ่อเยอะแล้วนะนี่ <c oughs> เราประมาทไม่ได้นะล้วอย่าประมาทในร่างกายนี้อย่าประมาทในเวทนาคือความสุขและความทุกข์ทั้งหลายความสุขมันก็ของชั่วคราวความทุกข์มันก็ของชั่วคราวใช่ไมประมาทไม่ได้ไม่ใช่ความสุขมาก็หลงระเริงไปความทุกข์มาก็เกลียดชังมันไป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 นั่งอยู่ก็ทุกข์นะเดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์ทำอะไรก็ทุกข์มีความทุกข์ตามบีบคั้นตลอดวันตลอดคืนไม่มีเว้นบักให้หรอกนี่ยเราคอยรู้อย่างนี้เรียกว่ากลายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้กายเป็นอะไรเป็นไตรลักษณ์นั่นเองแต่ว่ามันเด่นในเรื่องความเป็นทุกข์กต่การไม่ใช่ตัวเราคือมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ช่วครั้งชั่วคราววันหนึ่งก็ต้องคืนให้โลกเข้าไปจิตใจล่ะจิตใจเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนันถามว่าเราจิตใจเป็นของงไม่เจี้ย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 เราถือศีลพอเรามีศีลสิกขานี่ยแล้วเราก็ไปกําหนดรูปนามเลยเราไปเจริญปัญญาสิกขาเราข้ามจิตสิกขาไปบทเรียนหนึ่งเราะฉนั้นถ้าเราไม่ได้เรียนจิตสิกขาให้ทองแท้ซะก่อนเนี่ยจิตจะไม่มีสัมมาสมาธิและจิตจะไปเพ่งไปรู้ท้องก็เพ่งท้องรู้เท้าเพ่งเท้ารู้ลมเพ่งลมรู้มือเพ่งมือรู้อะไรก็เพ่งอันนั้นจะไม่สักว่ารู้สักว่าเห็นเพราะเราเรียนข้ามขั้นนะเที่ยวตะเวนไปนะบางที่ก็ ส่วนใหญ่จะไปแอบดูเขานะถ้าไปนั่งเรียนที่มันยาวใช่ไหมหลายชั่วโมงหลายวันส่วนมากหลวงพ่อเป็นคนใจใช้เราว่องไวหน่อยเราไปแอบดูดูตัวอาจารย์นั่นแนหะดีที่สุดเลยดูเวลาอาจารย์เข้าภาวนานะั้นเาจะโเข้าใจรวดเร็วยิงไปเห็นหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนนี่เนียบจริงๆลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนที่เยี่ยมมากก็หลวงพ่อคำเขียนนี่แหละ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 นึกดูมาสาวันแล้วพอสมควรแล้วบัต น, นี้เป็นพระโซดาแลวแขวนป้ายให้ตัวเองอย่างนี้นไม่ใช่นะมันมีกระบวนการที่จิตตัดสินความรู้นะกระบวนการมันมีทั้งสิ้นเลยสิ่งเหล่านี้ในคัมภีอภิธรรมของเราสอนไว้ทั้งหมดเลยแต่เราละเลยที่จะเรียนกระทั่งแอบวิจารหน่อยนะแต่ทั่งคนเรียนอภิธรรมเวลาลงมือภาวนาก็พลิกตำราไม่ค่อยทันไปเพ่งเอาส่วนใหญ่ที่เคยเห็นชอบเพ่งติดเพ่งกันแทบทั้งนั้น นั้นอดทนนิดหนึ่งนะค่อยๆฟังฟังด้วยใจที่เปิดกว้างหลวงพ่อเรียกร้องตั้งแต่แรกนะต้องเปิดกว้างถ้าฟังด้วยใจแคบจะต้องโมโหโหลวงพ่อทุกวันจะต้องมีคนมาขอขมาเรื่อยๆนะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวหลวงพ่อพูดเสร็จหลวงพ่อขอขมาพวกเราดีกว่านะจะได้ไม่อาฆาตแค้นเ <c oughs> นี่ยคอยดูลงไปนะวันหนึ่งเราจะเห็นกายกับใจไม่ใช่ตัวเรานะอันนี้ยังไม่ได้ละอาวิชานะละแค่สักกายทิจจิ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 การและปฏิฆะในรูปเสียงกลิ่นรสกฎถากก็จะไม่มีเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีน ะ, ะนั้นจิตใจของพระอนาคามีก็จะเด่นดวงอยู่งั้นมีแต่ความสุขอยู่กับจิตจิตผู้รู้มีความสุขมากถ้าตามรู้ตามดูต่อไปไม่นิ่งนอนใจนะจะลิกเจอกับปรากฏการณ์ที่หลวงพ่อเล่าเมื่อกี้นี้มันจะเห็นเลยจิตนั้นเนี่ยพลิกตัวเป็นความทุกข์ให้ดูไม่ใช่จิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างหรือจิตเป็นสุขมากๆแล้วจิตกายเป็นตัวทุกข์ล้วนๆให้ดูนะ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 เพราะเด็กเนี่ยมันพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะส่วนเราเรียนอะไรยากมากเลยเราจะมีความคิดความเห็นอะไรของเราเต็มไปหมดนะนกวางกั้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆของตัวเองไว้เยอะแยะเลยวันนี้คุยได้ยาวครึ่งชั่วโมงใครจะคุยกับหลวงพ่อเชิญนะไม่มีหลวงพ่อจะได้ไปกราบราชการหลวงพ่อครับ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 ลัดนิ้วมือหนึ่งเนี่ยนะจิตเกิดดับแสนโกรธขณะคำว่าลัดนิ้วมือคือการดีดนิ้วเนี่ยเนี่ยถ้าดีดช้าๆหน่อยก็ประมาณครึ่งมินาทีแสนโกรธขณะเนี่ยแล้วบอกว่าจิตขึ้นรับอารมณ์นะสิบเจขณะใช่ไหมเราหาออกมาได้ตั้งกี่พันล้านกี่พันล้านวิจิตรู้ท่า น, นสำนวนแขกนะคำว่าแสนโกรธอะไรเงี้ยสำนวนแขกแปลว่าเยอะ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 ใช่ไหมครับใช่แต่ยังไม่หมดนะใช่ครับยังยังยังมีอยู่มันยัเพ่งอยู่ใช่ยังมีอยู่นิดหน่อยแต่ว่าเทียบกับเมื่อก่อนแล้วเยอะมากเออดีครับผมแก้การเพ่งเนี่ยแก้ยากที่สุดเพราะเวลาเราเพ่งเรารู้สึกเราภาวนาดีนะจิตใจเราสงบจิตใจเรานิ่งกิเลสไม่มาอะไรเนี้ยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ติดเพ่งที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อตะเวนไปดูผู้ปฏิบัตินะเยอะแยะไปหมดเลยเกือบทั้งหมดติดเพ่งแล้วบอกว่าให้เลิกเพ่งไม่เชื่อนะโมโหอีกนะ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 ขออีกคำถามนะครับอยากถามว่าสติของคนที่ไม่ได้ระดับรับฟังความของพระพุทธเจ้านะครับคืออาจจะเป็นของศาสนาอื่นยังไงครับกับสติของผู้จเจริญสติปัฏฐานเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับแต่างกันนะสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสติที่รู้กายรู้ใจในขณะที่สติทั่วๆวไปในาศาสนาอื่นหรือคนที่ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานหรือคนที่เจริญสติปัฏฐานแต่ขณะนั้นไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน เป็นสติที่รู้อารมณ์ที่เป็นกุศลทั่วๆไปเช่นอยากทําบุญอยากใส่บาตรอยากสังคมสงเคราะห์อะไรเนี่ยจิตใจมันมีสติเหมือนกันแต่เป็นเป็นสติที่เป็นกุศลแบบธรมธรมดาธรรมดๆเป็นกุศลที่จะพาไปสู่ภพภูมิที่ดีส่วนสัมมาสติหรือสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสติที่รู้กายรู้ใจตัวเองเราะงั้นสัมมาสตินะนท่านอธิบายสัมมาสติด้วยสติปัฏฐาน ต้องรู้กายรู้ใจตัวเองการรู้กายตัวรู้ใจตัวเองแนละเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาชั้นสูงเรียกว่าวิปัสสนาปัญญากุศลชนิดนี้ไม่ใช่นําไปสู่ภพภูมิที่ดีกุศลชนิดนี้นําให้ข้ามภพภูมิได้เข้าสู่มรรค น, นิพพานได้ดังนั้นกุสติทั่วๆไปนะคนาศาสนาอื่นก็มีนะาศาสนาอื่นเขาก็มีเวลาจิตใจเขาเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมานะ ก็ถือว่าเขามีสติเหมือนกันคือ ม, มีสติจับอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลงั้นนานๆ น, น, นะถึงจะเกิดพระพุทธเจ้าองค์หนึง่งถือจะเกิดการเจริญสติปัฏฐานสักครั้งหนึง่งหลวงพ่อถึงบอกในช่วงเนี้เป็นนาทีทองนะในสังสารวัตนี่มีนาทีทองแบบนี้ไม่บ่อยนะัะนานๆจะเกิดคําสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นสักครั้งหนึง่งเมื่อเก้กับก่อนมีพระพุทธเจ้าองค์หนึง่ง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 โอกาสที่จะเจออีกหายากคนส่วนมากที่ตายเนี่ยจะไปอบายนะอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อบอกเองนะคนส่วนมากไปอบายนะไม่ไม่ใช่ไปสุคติส่วนมากไปอบายดะงนั้นโอกาสที่จะได้ฟังธรรมได้เข้าถึงธรรมนี่ยากที่สุดเลยเพราะงั้นเด็ดอย่าละเลยนะริบศึกษาอดทนนิดนึงนะจะชอบใจในสิ่งที่หลวงพ่อพูดหรือไม่ชอบใจไม่สําคัญนะ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 แถวนี่ก็มีนะอลุศิษย์หลวงพ่อที่มาเรื่อยๆเนี่ยมียกมือหน่อยสินักติดบุญไม่กล้านะวันๆนั้นนะคิดเรื่องทําบุญแต่ก่อนเนี่ยคิดทําบุญนะวิ่งรอบเดินสายนะคล้ายๆนักร้องลูกทุ่งเลยเนะช้าไปวัดนี้สายไปวัดนีนะ้รู้เวลาหมดเลยนะครูบาอาจารย์องค์ไหนรับแขกตอนไหนนไปทําบุญตวเวนไปเรื่อยๆไปหาหลวงพอนะ่ดดงพอแล้วโดนหลวงพ่อแซวเรื่อยแซวแซวเดี๋ยวนี้เป็นนักภาวนาละ ถามว่าเราทําบุญไหมทําบุญไม่ขาดตกบกพร่องแต่ทําบุญแบบประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาแนละไม่ได้เพลิดเพลิน เ, เ ม, มาบุญบุญใดที่ประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่ประกอบด้วยสติไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญเล็กน้อย <S 2> <S 2> <S 2> อย่างเราเกิดศรัทธาแก่กล้านะเราขายบ้านไปได้มาล้านหนึ่งเอาไปถวายวัดนะรื่มใจนะกลับมาบ้านไม่มีบ้านอยู่เห็นไหม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 เป็นวัตถุทานเท่านั้นเองทานยังมีทั้งหลายอย่างอาภัยทานเนยคนมาด่าเราเรายกโทษให้แต่ไม่ใช่ว่าเขามาว่าเรานะคนนี้เป็นคนทานมาเกเรเราแล้วมาเดี๋ยวก็ขอขอมาแล้ะอีกวันนึงด่าอีกแล้วเนี่ยนเราก็คบเหมือนเดิมนี่เรียกว่าไม่ฉลาดน ะ, ะเราไม่ได้โกรธแค้นไม่ได้อาฆาตแต่เราเลือกคบคนใชพระพุทธเจ้าสอนนะไม่ไหมบางคนเมันเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไนะปเป็นเครื่องมือ ตวเองก่อาการรมทําชั่วกับคนอื่นแล้วก็คอยไปขอขามาขออาภายัยเดี๋ยวก็ทําอีกแล้วเพราะพระพุทธเจ้าสอนเราไม่ให้คบคนฐานนะ <ừ. S 1> คนที่ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีก็เรียกว่าคนฐานหรือเราครบใครแล้วอาคูสนเจริญคูศลเสื่อมไปคนอย่างนี้เราก็ไม่คบเหมือนกันไม่ใช่ว่าใจเราเป็นกลางแล้วต้องคบกับคนทุกคนเสมอกันนะเรียนธรรมะต้องฉลาดนะไม่ใช่ตกเป็นเครื่องมือของกิเลสบ้างตกเป็นเครื่องมือของคนที่อ้างธรรมะบ้าง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 ของเราได้ถูกฝึกจิตใจของเราให้เป็นผู้ให้จิตใจอย่างนี้แหละเวลาที่เราไปภาวนาถึงจุดที่แตกหักนะได้มาใช้นะเรากล้าสละชีวิตเพื่อทำหรือเปล่าถ้าเราเคยกล้าเสียสละของเล็กของน้อยมาก่อนนะจนสุดท้ายไม่กล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะไดไ้กูสลเล็กน้อยไม่ละเลยแต่ว่าต้องมีสติมีปัญญากำกับตลอดเลยนะหรือทำสมาธินั่งแล้วก็ นะทุกวันก็นั่งอีท่าเนี้ยหลวงพอขอแนะนำให้ไปหาหมอนคอมาใส่นะการกระดูกคอชํำรุด <c oughs> มันได้ประโยชน์อะไร <c oughs> นอกจากได้ความภูมิใจเล็กๆน้อยๆว่าฉันได้ภาวนา <c oughs> งั้นต้องรู้สึกตัวนั่งสมาธิก็นั่งด้วยความรู้สึกตัวไม่ขาดสติสติจำเป็นตลอดศีลนะ ส, สมาธิปัญญานี่อาศัยสติกำกับอยู่ตลอด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 จะมีบางวันเหมือนกับเด็กหัดใหม่ครับแย่กว่าเด็กหัดใหม่อีกครับเป็นอย่างนั้นทุกคนนะหลวงพ่อเคยอ่านหนังสือของอาจารย์ Large, มหบาบัวอาจารมหาบัวสมัยก่อนสมัยหลวงพ่อเรียกท่านว่าท่านอาจารย์พระมหาบวัวนะไม่มีใครเรียกท่านว่าหลวงตะบวัวเลยแล้วเรียกาาท่านท่านอาจารย์พระมหาบัวท่านท่านสอนไว้บอกว่านักปฏิบัติทุกคนนะบางวันเนี่ยเหมือนมรรค น, นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาละบางวันหายไปเลยทําไม่เป็นละ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 แต่ว่ายังบังคับตัวเองเกินธรรมดาไปนิดนึงน ะ, ะคุณตรงเข้ามากับเขาด้วยเรียวหลวงพ่อขอประท้วงนิดนะึงพวกที่ไปวัดหลวงพ่อแทบทุกวันจะไปตามมานี่ด้วยคือตอนนี้จะเป็นเหมือนที่หลวงพ่อตอบพี่คนมเมื่อกี้ค่ะหนูก็ตอนนี้ยังดิ้นอยู่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 แต่เดิ ม, มคิดว่าล็อกไวแล้วดีนะคิดว่าการภาวนาคือการล็อกใจให้นิ่งตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเมื่อกี้เราไปล็อกไว้ดีแล้วใช้ได้ไงถึงบอกว่าดีแล้วไงความจริงเรียนกับหลวงพ่อนะไม่ต้องถามก็ได้จะบอกให้นะฟังเล่นๆไปเถอะฟังแล้วสังเกตใจตัวเองเถอะเกิดสงสัยขึ้นมารู้ว่ากำลังสงสัยอยู่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 เหมือนผลไม้ที่รอเวลาสุกงอมใจเราก็เหมือนผลไม้นะรอเวลาที่มันสุกงอมอย่าไม่ต้องไปรีบบ่มมั น, น, นไม่อร่อยค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ค่อยๆสังเกตการาบนมันสการหลวงพ่อคะ่ะเอจะยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยอค่ะอพอดีโยมไปปฏิบัติตามที่หลวงพ่อบอกนะคะ่ะแล้วก็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 ต่างรู้กายรู้ใจเรารู้สึกว่ามันสงบอะคะไม่ทราบว่าจะแก้ยังไงคะอย่าอย่าไปจงใจปฏิบัติ<ะ>นะแล้วก็อย่าไปเพ่งลมหายใจอย่าไปเพ่งกล้างกาย<ะ>พอเราไปเพ่งมากเข้ามากเข้านะมันจะเหมือนเราไม่หายใจ<ะ>ถ้าเรามันไม่หายใจแล้วเราไม่ตกใจนะมันจะเหมือนเราหายใจด้วยผิวหนัง<ะ>นะมันอยู่ได้น้ำอยู่ได้นานเลย<ะ>นะนี่ส่วนใจพอเราไปถึงตรงนี้แล้วตกใจ หรือว่าพอใจเราเคลื่อ น, นมันรู้สึกอ่นอัดที่ทําอยู่เป็นสมถะนะ <nickel. S 1> ยังเป็นสมถะอยู่ถ้าวิปัสสนาจะไม่เป็นอย่างนั้นวิปัสสนาเราจะเห็นว่ า, อาอไา teenager, าอไ้นะอตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจะหายใจสงบหรือไม่สงบนะไอ้ตัวที่หายใจอยู่เนี้ไม่ใช่ตัวเราไอ้คนที่ไปรู้ร่างกายที่หายใจอยู่นี้ก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าเราเดินวิปัสสนาจะเห็นอย่างนี้แต่ถ้าใจเราไปจับนิ่งไว้อยู่กับลมนะ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 หรือไปกระทบกระทั่งฉันทําเธอไม่ทํานี่ฉันมาตั้งแต่ตีสามเธอมาตีห้าอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะมันมีโอกาสได้ดูเพราะงั้นเราพยายามออกมาอยู่กับโลกข้างนอกให้มันมีการกระทบกระทั่งอารมณ์ใจจะได้ไม่ไปติดเฉยนะอย่าบังคับใจให้นิ่งยังบังคับนิ่งอยู่ขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อครับได้ฟังเรื่องอ การไม่ประมาทในอกุสนลธรรมที่หลวงพ่อเทศเมื่อเมื่อเช้าอะครับก็วันนี้ผมจะมาขอขมาหลวงพ่อครับว่าผมเคยโกโหกหลวงพ่อเรื่องการรายงานผลนะครับไอเรื่องโกโหกรายงานผลเนี่ยเป็นเยอะแต่เขาไม่มาบอกนะหลายคนเลยเวลาไปหาหลวงพ่อนะนั่งปั่นกันบ้านต้องเตรียมนะทุกคนอะ่ะต้องเตรียมถ้าหลวงพ่อพูดด้วยจะตอบไว้ยังไงที่จะไม่ถูกด่า เวลารายงานหลวงพ่อนะคําว่าพยายามอย่าหลุดออกมานะอถ้ามีคําว่าพยายามปุ๊บจะถูกเล่นงานละอย่างนี้ะเป็นทุกคนแหละบางคนนะาแต่งเรื่องขึ้นเลยล้วนๆเลยก็มีนะนครั บ, รบก็เคยรายงานว่าก่อนที่จะมาฝึกดูจิตนี่ผมไม่เคยฝึกสมัมมามาก่อนแต่ว่า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 อจิตทําจิตเพ่งท้องไปเรื่อยเพ่งเบาๆนะอย่าเพ่งแรงถ้าเพ่งแรงเราเครียดอึดอัดไม่สงบเพ่งอย่างสบายรู้ท้องไปอย่างสบายๆเดี๋ยวเดียวจิตสงบจิตสบายนี่ได้สมถะละพอจิตใจมีความสุขมีความสบายมีสติรู้จิตที่มีความสุขความสบายนี่จเจริญปัญญาต่อละนะั่นสมถะไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรกรนะทัะ่งเราท่องพุทธโธเราบอกว่าเป็นสมถะในศาสนาพุทธนะท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อย จริงก็คือคำบริกรรมบริกรรมอะไรก็ได้นมาสมสการคะ่ะท่านดิฉันเนี่ยไม่เคยปฏิบัติอะไรเลยเก็แต่สนใจนะคะก็จะหาทางว่าจะปฏิบัตินะะี่ค่ะก็ดิฉันก็เพียงจะทราบถึงว่ามันมีเกิดแล้วก็มีดับ <c oughs> แล้วก็เป็นสิ่งอะไรๆๆต่างต่างเนี่ยมันบังคับไม่ได้ <c oughs> ดิฉันมีทราบอยู่แค่นั้น ทีนี้การที่เราจะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยถือต้องการที่จะให้มีสติแล้วก็รู้กายรู้ใจเนี่ยค่ะีท่านไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลยเนี่ยจะเริ่มต้นตรงไหนโยมมีลูกมีหลานอะไรไหมเออก็มีแต่ลูกหลานก็ทีท่านก็ถือว่า เด็กพวกนี้ก็ไม่ไม่อะไรนะคะไม่ได้เรื่องเราเราสังเกตนะเนี่ยอยากทํากรรมฐานเนี่ยหลวงพ่อจะแนะกรรมฐานให้ดิฮันสมาถะดิฮั่ อ, อดิฮันก็กําหนดอะไร ไ, ไปเองกันนะคะไ ม, ไม่ใช่สินี่ไงหลวงพ่อจะให้กันบ้านละค่ะค <c oughs> ่ะเราเอาลูกเอาหลานเรามาเป็นกรรมฐานอ่าพอเรานึกถึงลูกหลานเราแล้วแหมมันมันไส้มันลาคาญเนี่ยรู้ลงที่ใจของเราใจเราไม่ชอบใจละ โมโหโธ่ขึ้นมาเราดูตรงนี้ไม่ต้องไปคิดถึงเขาแล้วเราดูที่ใจเราเราเห็นเลยใจตะกี้เฉยๆพอคิดถึงลูกหลานแล้วใจไม่ค่อยสบายเนี่ยดูไปใจไม่เที่ยงนี่ยดูอย่างนี้นะวันนี้ลูกหลานมาเยี่ยมนะมายิ้มแย้ม แ, มแจ่มใสรู้สึกพอใจรู้ว่าพอใจเนี่ยทํากรรมฐานละเลีเ้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรบ้างไห ม, ไมหรือทํากิจกรรมอะไรบ้างแต่หลานเลี้ยงเนี่ยค่ ะ, คะแล้วชอบทําอะไรบ้างอ่ะ เออชอบทําอะไรบ้างก็ชอบทําสวนเออทาสวนก็ได้ค่ะอย่างเราทําสวนหน้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยต้นไม้เรางอกงามเราพอใจเรารู้ว่าพอใจวันนี้นอนมากินต้นไม้เราเราโมโหรู้ว่าโมโหนี่แม้ทําสวนก็ทํากรรมฐานได้อย่างนั้นดิฉันก็รู้อยู่แล้วค่ะเออรู้เยอะเยค่ะคือคือคือถ้าเผื่อม่าอย่างนั้นดิ่ันก็แสดงว่าดิฉันทำกรรมฐานอยู่แล้วออทำไปเรื่อยเวลาที่ทําสวนดิ่ันก็รู้สึกของดิ่ันอย่างนั้นแล้วต่อไปเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งค่ะ ก็มี อ, อีกอันหนึ่งไอ<ะ>นะตอนทำสวนแล้วนอนมากินแล้วโมโหรั่วโมโหอันนี้ใช้ได้ละต่อไปนี้ใจเราแอบไปคิดให้รู้ั่าไปคิดอ๋อค่นะใจแอบไปคิดค่ะนะเดี๋ยวมอบไปสมัครเรียนเป็นลูกศิษย์อาจารย์สุรวัตรนะอยู่ไหนก็ไม่รู้อนนี้อยู่ไหมเนี่ยเนี่ยทีมสีแปลกแปกเนี่ยเขาเรียกสีอะไรหลงพ็ก็ไม่รู้จักสีกุลาบเก่าเก่า ท่านมีหนังสืออะไรบ้างไหมคะมีมีเดี๋ยวลองไปขอไดูน ะ, ะ, ะแล้วเอาซีดีไปฟังนะเราไปหัดดูตรงที่ให้รู้ทันตรงที่ใจหนีไปคิดนะเพราะเวลาใจเราไปคิดนะัเราก็จะน้อยเนื้อน้อยใจอะไรเงี้ย เ, เห็นไหมต้นทางของมันก็คือใจเราหนีไปคิดนั่นเองถ้าเรารู้ทันใจที่หนีไปคิดเราก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ําใจ เ, าเราก็จะมีความสุข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 จิตเป็นแค่คนไปรู้ความทุกข์เข้าแต่ถ้าเราไปจงใจรู้นะมันจะแน่นๆ่นขึ้นมันจะทุกข์ไปด้วย <c oughs> หรือว่าพอเราไปเห็นความทุกข์แล้วเราไม่ชอบมันอยากให้มันหายพอเรามีความอยากเกิดขึ้นจิตก็มีความทุกข์ขึ้นมาอีกนะมีทุกซ้อนทุกไปเรื่อยๆค่อยๆศึกษานะ <c oughs> แล้วเราจะเข้าใจคําว่าทุกข์นี่เป็นคําที่กว้างกวางมากเลยค่ะ <c oughs> อย่างนั้นก็ก็ทําอย่างนี้ไปก่อนท <ำ S 2> ําเล่นๆ น, นะทำเล่นๆอย่าทําแบบเคร่งเครียด ถ้าทำแบบเครเครียดจะมีความทุกข์เยอะเลยทำเล่นๆเนช่นเราเดินเดินอยู่นะ่เห็นต้นไม้สวยๆดอกไม้สวยๆใจเราชอบขึ้มารู้ว่าชอบไม่ใช่ไปจ้องอยู่ที่ใจแล้วก็เดินตากวางๆไปเพราจ้องอยู่ที่ใจเจออะไรแล้วก็เฉยๆอย่างนี้มีแต่ความเครียดใช้ไม่ได้ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้ความรู้สึกนั้นอย่าไปดักดูถ้าดักดูแล้วจะเครียด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 ่ดูทุกอย่างไปจริงๆคือตอนนั้นเราเลือกไม่ได้น ะ, ะที่คุณถามถามถูกต้องแล้วคือปล่อยไปตามอัตโนมัติเราเราแต่ว่าไม่ให้ปล่อยตามยาถากรรมตามภูมิปัญญาเราเร า, เราต้องพัฒนาสิ่งที่เอื้ออานวยที่จะให้เกิดปัญญาก็คือสัมมาสมาธิถ้าเราไม่พัฒนาสัมมาสมาธิขึ้นมานะเรามีสติเราไปเพ่งไปจ้องเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญญามันจะนิ่ง แต่ถ้าเราพัฒนาสมาสมาธิขึ้นได้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมามันจะเกิดปัญญามันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกรู้นี่รุ่นแต่เกิดแล้ดับทั้งสิ้นเลยก็ก็คือตามดูอย่างที่แต่เราเราเร า, เราทำเหตุอย่างนี้นะนะส่วนผลเนี่ยขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยบางครั้งก็รู้เฉยๆบางครั้งก็รู้แล้วมีปัญญาบางครั้งไม่รู้อะไรเลยหลงไปเลยนะเป็นพล<ห>ิกไปพลิกมาได้ทุกแบบะเห็นหลวงพ่อบางองค์บอกว่าพอถึงตรงที่แช่แล้วเนี่ยเราต้องดึงเอาข้อธรรมมาทำวิจัย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 เพาะฉนั้นทำนั้นวิจาณไม่ใช่การคิดเอาแต่ว่าถ้าใจของเราไปติดนิ่งติดเฉยเนี่ยการคิดเป็นอุบายอุบายนะเป็นแค่อุบายเป็นแทคติกเป็นกลวิธีนะเช่นพอใจเรามันนิ่งภาวนาพุโทโธไปหรือหายใจไปแล้วใจมันสว่างแล้วมันจเฉย อ, ยอยู่อย่างนั้นนะ่ะครูบาอาจารย์ก็ออกอุบายให้มาคิดพิจารณากายนะคิดเพื่ออะไรเพื่อให้จิตทํางานไม่ให้จิตติดเฉยนะพอจิตคิดคิดคิ ด, คดไปหน่อยหนึ่งฟุ้งซ่านก็กลับมาทําความสงบ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 ได้ได้ใช้เมื่อจำเป็นผมกับใช้เมื่อใช้เมื่อใจไปติดเฉยนะกับเรียนหลวงพ่อพอดีผมเป็นมวยวัดใช้การศึกษาออาอ่านเอา<ม>แล้วก็นานๆจะมาพบครูบาอาจารย์อย่างนี้ทีไม่ทราบที่ผมผ่านมานี่ที่ผมปฏิบัตินี้พอจะใช้ได้ไจิตมันไม่ตั้งมั่นนะจิตมันยังไม่ตื่นขึ้นมามคือสติแท้ๆยังไม่เกิดสมาธิมาสมาธิแท้ๆยังไม่เกิดนะจิตยังหลงอยู่ในความคิดอยู่ ค่อยๆไปดูนะค่อยๆฟังซีดีหลวงพ่อเยอะๆนะเนี่ยวันนี้ทำไมมันยาวมากกรารนมัสการหลวงพ่อค่ะไหนๆอยู่ไห น, นอ่อว่าไปคือปกติหนูติดเพ่งอะค่ะแล้วก็ฟุ้งซ่า น, นะคะแล้วพอรู้สึกตัวเงี้ยก็ความก็จะตกไปอยู่ในความคิดอะค่ะแล้ว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 อ, อมีคนเตือนหลวงพ่อบอกอย่าตอบแบบนี้ตรงไป <laughs> ตรงเกินไปให้ตอบเลี่ยงเลง <laughs> แต่บางทีตับเลี่ยงมีปัญหาเลี่ยงแล้วไม่รู้เรื่องเลี่ยงแล้วไปทําผิดเลยงั้นเรียนกับหลวงพ่อนะเรียนด้วยใจจริงๆนะหลวงพ่อสอนด้วยใจจริงๆนะอย่าเรียนแบบหาเรื่องจับผิดกันกรรมนมั <laughs> สการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือ ได้ได้ไปกับเรียนทำหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าปฏิบัติถูกต้องแต่ว่าตอนนี้อยากเจะสงสัยนะเจ้าค่ะว่าที่ปฏิบัติเนี้ยจิตมันตื่นแล้วหรื อ, อยังเจ้าค่ะขณะนี้ไม่ตื่นเพราะขณะนี้สงสัยดูออกไหมค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วขณะเนี้ยไม่ได้รู้สึกกายรู้สึกใจไม่คอยจดจ่อรอฟังหลวงพ่อ <c oughs> ขณะเนี้ยจิตที่ตื่นเต้นตะเกียลดความตื่นเต้นลงแล้วรู้สึกไหมอ่ะ <c oughs> เมื่อกี้ตื่นเต้นเราไม่เห็นว่าตื่นเต้นตอนนี้จิตเริ่มสงบกว่าเมื่อกี้ดูออกไหม เ, เนี่ยจิตแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมจิตไปคิดไม่เลิอกอะ่ะรู้สึกไหมอยากพูดละรู้สึกไห ม, ม, นนมเนี่ยดูลงปัจจุบันไปแล้วมันก็ตื่นเองแหละ แล้วถ้าเกิดเมื่อเราเกิดความอยากที่จะถามอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้ ว, วพอเราเห็นความอยากเรามันดับไปแล้วเดี๋ยวสักพักมันขึ้นมาอีกแล้วเราก็คิดว่าเราตัดสินใจจะถามนี่คือเรามีอุปทานที่ยึดยึดความคิดแล้วก็เราต้องฉ<ำ>ลาดนะเราไม่ได้ถามเพราะอยากถามาแต่เราถามเพราะสมควรจะถามนะหรืออย่างเราจะไปซื้อของเงีนะ้ยเราไม่ได้ซื้อเพราะอยากซื้อแต่เราซื้อเพราะสมควรจะซื้องั้นอย่ า, ง, ยา ง, เงเราเดินเดิน <ๆ S 1> ไปเจอกระเป๋าวสวยๆจิตยอยากได้มีสติรู้ว่าอยากได้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 หรือว่าขี้เกียจขี้คล้านเกิดขึ้นใช่ไหมก็พาให้เลิกดูไปเลยเนี่ยมันจะลากเราให้เลิกดูกายดูใจตัวเองเพราะมันกลัวเราจะพ้นอำนาจของกิเลสเนี่ยใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมมันคิดอยู่ยตลอดยอยากพูดด้วยรู้สึกไหมเห็นไหมมันทนไม่ไหวเห็นไหมอ่ามันผลักเพือกขึ้นมาเลยเห็นไหมความอยากตะกี้ดับไปแล้วนะดูอย่างนี้นะกิเลสอืน่นก็ผุดขึ้นที่เดียวกับที่มันอยากขึ้นตะกี้แหละมันผุดขึ้นมากลางอกนั่นแหละ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 ก็ทําต่อไปเรื่อยๆแบบนั้นใช่ไหมจ๊ะปะให้คอยรู้ความรู้สึกของเราไปบ่อยๆนะให้รู้ให้เยอะที่สุดเลยเท่าที่รู้ได้นะไม่ต้องรู้ตลอดเวลาแต่รู้บ่อยๆแลคะคะเดี๋ยวมันถูกเองแหละทำไมมันถูกตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้แลคะถ้ามันง่ายขนาดนั้นถ้าเรหันเต็มโลกแล้วกราบอพระคุทธเจ้ากราบน้ำมศการหลวงพ่อครับอยู่ไหนอยู่นี่ครับ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 นะวันไหนเรามีเรี่ยงมีแรงเราก็มาพุโทโธมาหายใจนะแล้วเราก็คอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆนะเป็นการซ้อมรูนะ้ถ้าซ้อมอย่างนี้เรื่อยๆเวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันนี่สติจะเกิดบ่อยตอนนี้ใจลอยเวลาทราบไหมที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วขอบคุณครับนมัต ก, การหลวงพ่อค่ะคือได้ฟังซีดีหลวงพ่อหลายครั้งบางทีก็ฟังในเว็บของพลังจิตบ้างนะคะ ยังไม่ทราบว่าสติที่แท้จริงเราจะรู้ถึงสภาวะนั้นได้อย่างไรว่านี่คือสติที่แท้จริงแล้วหรือว่าอันนี้คือสภาวะที่จิตรู้จ ร, จริงๆหรือความคิดนะคะอืมก็ต้องอาศัยถ้าดูเองไม่เป็นหน้าก็าอาศัยครูบาอาจารย์บอกให้นะอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่อยู่กรุงเทพมินบุรีค่ะอ๋อเนี่ยไปเรียนกับพวกห้องสมุดบ้านอารีเขานะ ทุกวันนี้ก็ปฏิบัติทางสมถะอยู่ทีนี้ไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่ดีหรือยังแล้วก็พอฟังซินดีหลวงพ่อก็พยายามที่จะดูจิตตบวเรตบ่อยหมวันึเห็นกิเรตล่อยไหมบางวันก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันนะคะบางวันก็เผลอไปยิ่งเวลาทํางานยิ่งจะเผลอไปจนไม่รู้ตัวเวลาทํางานเนี่ยรู้สึกไม่ได้อยู่แล้วเวลาทํางานต้องไปคิดเรื่องงานแล้วไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้แต่พอทํางานแล้วเครียดขึ้นมาเรารู้อะไร ทำงานแล้วดีใจเสียใจเราคอยรู้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วจริงต้องการคำนี้จะได้มั่นใจนี่หลวงพ่อบอกว่ามันก็น่าเกลียดคือจะเรียกว่าเพิ่งจะหันมาสนใจจริงจังนะคะประมาณปีได้่ะดีแล้วแต่ว่าเริ่มเราเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วจะเริ่มทางแนวของทางครูบาอาจารย์กางเก่าๆที่ทีแรกด้วยความเข้าใจว่าต้องรู้กายรู้จิตอันนี้คือ ดูขันทั้งห้าคือรูปก่อนแล้วก็ขันอีกสี่ตัวทีนี้พอมาพอมาอศึกษาทางหลวงพ่อก็ก็เข้าใจว่าดูกายดูจิตคืออะไรคือพยายามไปประยุกต์กับตรงนั้นทีนี้ยั ง, งยังในการปฏิบัติจริงเนี่ยนะมันไม่มีหรอกสายกายสายจิตอะถ้าสติเกิดบางทีมันก็รู้กายสติเกิดบางทีมันก็รู้จิตมันเลือกไม่ได้เพราะเรามันมีกายแล้วก็มีจิตด้วยแล้วสติก็เป็นอนัตตา งั้นถ้ามันรู้กายเราก็สักว่ารู้เห็นความจริงของกายมันไปรู้จิตแล้วก็รู้ไปหเห็นความจริงของจิตคอยรู้ไปเรื่อยถ้าเห็นเลยทั้งหมดไม่ใช่เราสักอันเดียวเลยเวลาภาวนาไม่ใช่จงใจรู้อันใดอันหนึ่งจงใจรู้อันใดอันหนึ่งไม่ใช่วิปัสสนาแท้ๆหรอกต้องรู้ควบคู่กันไปไม่ใช่ควบคู่กันไปมันรู้อะไรก็ได้แล้ ว, แ ต, าวาแต่มันจะรู้้แแลวต่สภาวะที่เกิดต อ, อนนั้นไม่ใช่รู้ควบคู่นะรู้ควบคู่ไม่ได้ รู้ทีละอันแล้วพอรู้แล้วต้องพิจารณาไปถึงไตรลักษณ์ไหมคะไม่ต้องนะไตรลักษณ์ไม่ไดเอาไว้คิดแต่อย่างสมมติว่าความโกรธผุดขึ้นมาเราเห็นความโกรธเนี่ยสังเกตไหมเรานั่งดูอยู่ความโกรธมันก็ดับให้ดูเนี่มันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูแล้วไม่ต้องไปคิดหรอกว่ามันจะดับไม่ดับไตรลักษณ์ไม่ได้เอาไว้คิดนะไตรลักษณ์เอาไว้เห็นแสดงว่าที่เคยนั่งนั่งนานๆแล้วปวดขาแล้วคิดว่าเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวทุกข์ก็ดับไปดับไปอันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เรียกว่าการรู้ทุกนไม่่ใชวิปัาล ถ้าเราทำนิพพานาเรานั่งอยู่แเราปวดขาเนี่ยเราเห็นเลยขาก็ส่วนหนึ่งนะขาไม่ได้ปวดความปวดเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่ในขาจิตที่ไปรู้ความปวดจิตที่ไปรู้ขาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ ง, งความกระบวนกระวายของจิตเมื่อไปรู้ความปวดแล้วความกระบวนกระวายก็เป็นอีกสิ่งหนึ Isaac, ่งขันมันจะกระจายตัวออกไปรูปส่วนรูปเวทนาส่วนเวทนานะสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตกระจายออกไปเพราะขันกระจายออกไปแล้วขันแต่ละตัวจะไม่ใช่ตัวเราแล้ว มันจะเห็นเองเมไม่ใช่นั่งเพื่อให้หายปวดนะนั่งเพื่อหายหายปวดไม่เห็นยากเลยจะให้หายปวดน่ะนั่งแล้วเมื่อยก็ขยับไปก็หายเมื่อยแล้วย<า>ีรียาบทก็ปิดบังความทุกข์เอาไว้งั้นเราภาวน า, า, านไม่ใช่เพื่อให้หายปวดแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นเลยก่ายนี้ก็ไม่ใช่เราความปวดก็ไม่ใช่เราจิตนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ภาวนาให้หายแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงคือเห็นใจรัก นะมีอะไรปิดทายมีอะไรสงทายอ๋อมีแบ<ม>บังอย่างขอตกค้าง<ม>อย่างเงก็ขออนุโมทนาพวกเรานะ <c oughs> สนใจธรรมะ <c oughs> ดีแล้วมีชีวิตแต่ละคนไม่รู้นะจะตายเมื่ อ, อไหร่นะอย่าประมาท <c oughs> วิธีไม่ประมาทที่ดีที่สุดนะคือศึกษาธรรมะศึกษากายศึกษาใจของเราให้ดี <c oughs> หลวงพ่อเพิ่งมีญาติผู้ใหญ่เพิ่งตายไปนะแต่ก่อนมาสาราลุงชินประจำอะ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 สิ้นกาลานานเทินสาธุพวกเราเอาของมาให้หลวงพ่อเยอะนะวันวันหนึ่งหลวงพ่อใช้ไม่หมดหรอกหลวงพ่อขอไปแจกต่อหลวงพ่อส่งไปทางอีสานส่วนใหญ่ของที่พวกเราให้หลวงพ่อเนี่ยส่วนใหญ่ส่งไปที่สุรินทร์ทางนั้นจนมากเลยแล้วจะกระจายไปอีก 40-50 วัดเราได้ทําบุญหลายต่อนะแต่ละคนรับผ่อนนะ ยถาวาริวาฮาปูราปริปูเรนตีสะครังเอวเมวาอิโตทินังเปตาณังอุปกระปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวัสมิฉตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันนราโสยะถามณีโชติราโสยะถาสัพพีตีโยวิวัตชันตูสัพโรโควินาสตูมาเตภวัตปันตรายโยสุขีทีคาโยโกภาะ อาภิวาธนาสีลิสนิจังุทธาปจจายโนจตารโรธรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง